จเจริญพรท่านสาธุชนพุ้ทบอร์สัอุบาศกอุบาศิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่28เมษายนพุทธศักราช2553เป็นวันพระวันธรรมวัวนาเป็นวันฟังธรรม เป็นวันที่สาธุชนจะมาทำตนให้เป็นพระให้ด้วยการพัฒนากายวาจาและใจให้สูงขึ้นคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐส่วนผู้ที่มาบวชนั้นเรียกว่าภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัตฏสงสาร พระนี้เป็นได้ทั้งนักบวชและค า, ารวะเพราะไม่ได้อยู่ที่การผอมผ้าสีเหลืองหรือสีขาวหรือสีต่างๆแต่อยู่ที่กายวาจาใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์ถ้ากายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ใจก็เป็นพระ พระในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือพระโสดาบันพระสะกิดาคามีพระอนาคามี <c oughs> และพระอาหารหันต์พระอริยบุคคลนี้ไม่ได้อยู่ที่การบวชเพียงอย่างเดียว การบวชก็มีส่วนช่วยให้เป็นพระอริยบุคคลได้เร็วขึ้นเร็วกว่าการเป็นคารวาแต่ถ้าบวชแล้วไม่พัฒนากายวาจาใจให้สูงขึ้นการบวชก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่อย่างใดส่วนผู้ที่ยังไม่ไม่ได้บวชเนื่องจากติดภารกิจ ติดความผูกพันพันธะอะไรต่างๆแต่มีความตั้งใจที่จะพัฒนากายวาจาใจของตนให้สะอาดไปตามลำดับผู้นั้นก็จะเป็นพระได้การเป็นพระนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าบวชหรือไม่บวชเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าพัฒนากายวาจาใจ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่ให้กายวาจาใจจากการเป็นปุถุชนให้มาเป็นพระอริยบุคคลได้หรือไม่เช่นพระสโสดาบันนี้กายวาจาท่านจะบริสุทธิ์คือท่านจะมีศีลห้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามท่านจะไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาด อย่างญาตโยมวันนี้ก็มาสมาทานศี่ห้ากันถ้ารักษาศี่ห้าในวันนี้ได้สะอาบบริสุทธิ์ก็ถือว่าได้เป็นพระโสดาบันหนึ่งวันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถเป็นพระโสดาบันไปได้ทุกวันพระโสดาบันนี้ท่านรักษาศี่ห้าได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของท่าน นี่คือความประเสริฐความเป็นพระอยู่ที่ความประเสริฐทางกายทางวาจาและทางใจกายวาจาก็มีศีลเป็นเครื่องรับรองผู้ที่มีศีลห้าเป็นปกติเป็นธรรมชาติผู้นั้นเป็นพระอรโสดาบันแต่ถ้ายังมีการ ฝ่าฝืนยังมีการทำผิดศีลอยู่สลับกับการรักษาศีลอย่างนี้ยังถือว่าไม่ใช่เป็นพระโสดาบันยังเป็นปุถุชนอยู่ยังต้องพัฒนาขึ้นไปเองส่วนใจก็ต้องสะอาดบริสุทธิ์ความโลภความโกรธความหลงต้องเบาบางลงไป พระโสดาบันนี้ยังไม่ได้ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเพียงแต่ว่าท่านทำให้เบาบางลงไปความโลภน้อยลงไปความโกรธน้อยลงไปความหลงน้อยลงไปความหลงที่พระโสดาบันกำจัดได้ก็คือการเห็นความไม่เที่ยง ถ้า ม, มีความหลงอยู่จะไม่เห็นความไม่เที่ยงจะเห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่พระโสดาบันนี้จะเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลายจะเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกาย ของทุกคนนี้มีการเกิดเป็นธรรมดามีการแก่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีการตายเป็นธรรมดาพระโสดาบันจะไม่หวั่นไหวต่อความเป็นความตายของร่างกายยอมรับได้จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นผู้อื่น ตายไปก็ไม่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจตนเองตายไปก็ไม่เสียใจยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วย่อมมีการดับเป็นธรรมดานี่คือฐานะของพระโสดาบันฐานะจิตของพระโสดาบันท่านลดละ ความหลงได้ในระดับหนึ่งส่วนความหลงที่ท่านยังดลดน้ำไม่ได้ก็คือความสวยงามท่านยังเห็นร่างกายคนนั้นคนนี้ว่าสวยงามอยู่ยังอยากมีครอบครองยังอยากมีครอบครัวยเพระโสดาบันนี้จึงเป็นคารวะได้เพราะตนเองยังไม่ได้ตัดความอยากในการ ือการวราคะนั่นเองถ้าอยากจะตัดการวราคะก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานหรือปฏิกูลอสุภะแปลว่าไม่สวยงามสุภแปลว่าสวยงามปฏิกูลแปลว่าสกปรกถ้าอยากจะกาจัดเนื้อลดละ ราคาตันหาความกำหนัดยินดีในร่างกายของผู้อ<ม>ื่นเช่นร่างกายของหญิงหรือของชายที่เห็นแล้วเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าไม่เห็นอสุภะไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามไม่เห็นปฏิกูลไม่เห็นส่วนที่โสโครกนั่นเอง ถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเห็นส่วนที่สกครดการมรังคะหรือความกำหนัดยินดีก็จะดับไปผู้ที่ปรารถนาที่ต้องการที่จะก้าวขึ้นสู่พระอริยบุคคลขั้นที่สองขั้นที่สามตามลำดับต้องเจริ อ, อสุภะต้องเจริปฏิปูล ้อพิจารณาดูอาการต่างๆของร่างกายนอกเหนือจากผมขนเล็บฟันและหนังที่เห็นได้ด้วยตาต้องพิจารณาเข้าไปดูส่วนที่ผิวหนังปกปิดอยู่เช่นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอกหัวใจม้าตับ ไตลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกที่มีอยู่ในร่างกายของทุกๆคนถ้า พิจารณาอยู่เนื่องๆดูอยู่เรื่อยๆต่อไปจะไม่เห็นว่าใครสวยงามจะเห็นว่ามีแต่ส่วนที่ไม่สวยงามเต็มไปหมดเพียงนึกถึงลำไส้เพียงนึกถึงตับถึงไตถึงหัวใจถึงปอดถึงโครงกระดูกเท่านี้ความกำหนัดยินดีก็จะหายไปหมด แต่ถ้าไม่พิจารณาเวลาเห็นรูปร่างหน้าตาก็จะเกิดความกำหนับยินดีขึ้นมาทันทีเพราะเห็นแต่ส่วนที่สวยงามเท่านั้นไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามนั่นเองผู้ที่ปรารถนาที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นพระสกิดาคามีและคั้นพระอนาคามี ต้องเจริญสุภพกรรมฐานถ้าเจริญได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็จะคลายความกำหนัดยินดีให้เบาบางลงไปได้บ้างเวลาเห็นก็จะไม่มีความกำหนัดยินดีเวลาเผลอเวลาไม่พิจารณาเวลาไม่เห็น ก็จะเกิดความกำนัดยินดีขึ้นมาแต่ไม่รุนแรงเท่ากับผู้ที่ไม่ได้เจริญอสุภาพมาก่อนเช่นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้เห็นใครก็จะว่าสวยว่างามน่ารักน่ า, รนารปรารถนาส่วนพระสกิดาคามีนี้แล้วแต่เวลาถ้าท่านไม่เผอ่อท่านพิจารณาอยู่ ท่านเห็นท่านก็จะไม่เห็นว่าสวยงามแต่เวลาที่ไม่พิจารณาเวลาเพลอเห็นปั๊ก็จะว่าสวยงามขึ้นมาทันที น, นี่คือสถานะจิตของพระสกษษษษษิดาคามีคือท่านสามารถทำให้การมาราคาความกำหนัดยินดีในกามนี้เบาบางลงไปแต่ไม่หมดไป คือยังมีบ้างสลับกันไปสลับกันมาเวลาที่พิจารณาก็จะไม่มีเวลาที่ไม่ได้พิจารณาก็จะมีผู้ที่จะกำจัดการมราคะได้อย่างสมบูรณ์ก็คือพระอนาคามีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งพระอนาคามีนี้สามารถพิจารณาอสุภะได้ทุกลมหายใจเข้าออก ทุกเวลาเห็นรูปร่างของใครก็จะเห็นแบบทะลุโปร่ปปงไม่ได้เห็นเฉพาะที่ผิวหนังเท่านั้นจะเห็นทะลุเข้าไปทุกสั์ทุกส่วนของร่างกายคืออาการ32เห็นทั้งส่วนที่สวยงามที่อยู่ภายนอกและเห็นทั้งส่วนที่ไม่สวยงามที่อยู่ภายในเห็นส่วนที่เป็นสกปรก ที่ออกมาตามทวารต่างๆของร่างกายเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วความกำหนัดเย็นดีคือกาม ร, ราคะนี้จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้พระอนาคามีจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะท่านไม่มีความอยากในการนั่นเอง สามใดถ้ายังมีความอยากในกลามอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเช่นพระโสดาบันนี้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะท่านจะเริ่มพิจารณานะอสุภะไปเรื่อย ถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวพอท่านเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นร่างกายแล้วก็เห็นว่าสกปรกเห็นว่าไม่สวยไม่งามแต่เห็นไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกทันนั้นเวลาที่ท่านเผลอท่านก็ยังเห็นว่าสวยงามอยู่ตยงต้องกลับมาเกิด เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าได้บรรลุเป็นพระอนาคามีได้กำาจัดการมราคะจนหมดสิ้นไปแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเลยถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วต้องตายไปก่อนก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมชั้นสุดท่าว่า แล้วก็จะเจริญจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงตามลำดับต่อไปจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ในที่สุดนี่คือเรื่องของการทำจิตใจให้เป็นพระจากกุตุชนให้เป็นพระด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาไม่ใช่เพียงแต่บวชเฉยๆแล้วจะเป็นพระขึ้นมา พระนี้เป็นสมมุติที่เราสมมุติเรียกกันว่าเป็นพระแต่ใจนี้ยังไม่ได้เป็นพระถ้าใจยังมีความโลภความโกรธความหลงถ้าใจยังรักษาสิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ก็เป็นเพียงพระสมมุติเท่านั้นเองพระนี้มีสองแบบพระที่เป็นสมพระสมมุติที่เรียกว่าสมมุ ต, ติสง และพระที่เป็นพระแท้ที่เรียกว่าพระอริยะหรืออริยะบุคคล เ, เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าให้ฟังถึงพระแท้ว่าเป็นอย่างไรพระแท้ก็คือพระอริยะบุคคลสีสี่จำพวกคือโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและอระหรันนี่คือพระแท้ที่เป็น พระรัตตนะไตพระสังขรารตนะพระอริยสงฆ์นี้เองไม่ใช่พระสมมุตดพระสมมุตินี้ยังเป็นเป็นสังขรารตนะไม่ได้เพราะตัวเองยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้ตนเองยังมีความโลภความโกรธความหลงคลรอบงำจิตใจตนเองยังบพัพฤติไม่ ไม่ไม่รักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ได้ตลอดไปจึงไม่ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นี้ต้องเป็นทางใจไม่ได้เป็นทางกายคนที่ทางกายเป็นคารวะแต่ทางใจเป็นพระอริยสงฆ์ก็มีคนที่ ทางกายเป็นพระและทางใจเป็นพระก็มีคนที่ทางกายเป็นพระแต่ทางใจยังไม่เป็นพระก็มีคนที่ทางกายเป็นค า, ารวะและทางใจยังไม่ได้เป็นพระก็มีนี่คือบุคคลสี่จำพวกขอให้เราถามตัวเราเองว่า เราอยู่ในจำพวกไหนถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระก็ขอให้เราพยายามพัฒนาการวาจาใจของเราให้เป็นพระขึ้นมาเถิดด้วยการให้ทานทำบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทำจิตใจให้สงบเป็นสมถะภาวนา และทำจิตใจให้ฉลาดให้รู้ทันความหลงเรียกว่าวิปัสนาถ้าสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะเป็นพระอาริยะก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับนี่คือการพัฒนากายวาจาใจจากปุถุชนให้เป็นพระอาริยะบุคคล พัฒนาด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาวั น, นิญาติโยมก็มาทำทานทานแปลว่าให้คือมีข้าวของเงินทองต่างๆญาติโยมก็เอามาให้วัดเอามาถวายวัดมาประเคนให้กับพระนี่เรียกว่าทานทานนี้ไม่ใช่บุญคำว่าบุญนี้แปลว่าผลที่เกิดจากการให้ทาน เวลาให้ทานแล้วทานนี่เป็นเหตุส่วนบุญนี่เป็นผลบุญแปลว่าความสุขใจความอิ่มใจความสะอาดของใจเวลาให้ทานนี้ก็ำชำละชาระใจไปในระดับหนึ่งชาระอะไรได้บ้างชำระความโลภไปได้บ้างชาระความเห็นแก่ตัวไปได้บ้างชำระความตนนีไปได้บ้าง นี่คือการกระทำคือการชำระใจเรียกว่าทานส่วนบุญนี้ก็คือผลที่เกิดจากการได้ชำระใจพอชำระความตนีออกไปชำระความเห็นแก่ตัวออกไปชำระความความโลภออกไปใจก็สะอาดขึ้นความสุขก็มีมากขึ้นความสุขใจนี่แหละเรียกว่าบุญ ที่เรามาทำกันนี้ก็เพื่อมาชาระใจเพื่อใจของเราจะได้มีความสุขมากขึ้นถ้าใจของเรามีความสกปรกมากขึ้นเช่นมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีความตันีมากขึ้นมีความโลภมากขึ้นความสุขใจก็จะน้อยลงไปความทุกข์ใจก็จะมีมากขึ้นคนที่รอบนี้อยู่ไม่เป็นสุข คนที่เห็นแก่ตัวนี้จะมีความไม่สบายใจคนที่มีความตนดีก็จะมีความทุกข์กังวลใจหวงสมบัติหวงสมบัติหวงข้าวของหวงสามีหวงภรรยาหวงลูกหวงอะไรต่างๆนานานี่คือความตันดีจะทำให้มีความหวงความหวงนี้จะทำให้มีความทุกข์คนที่หวงนี้จะทุกข์ แต่คนที่ไม่หวงนี้จะไม่ทุกข์ลองสังเกตดูถ้าเราไม่หวงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลาสิ่งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราหวงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลาสิ่งนั้นเกิดอะไรขึ้นมาเราจะทุกข์ใจมากเราจะโกรธเราจะแค้นจะเกิดการอาฆาตพยาบาทขึ้นมา นี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่พอเราไม่หวงเราไม่ตนันีเราไม่เสียดายเราให้คนอื่นไปเราก็สบายใจสมมติว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งเรามีหลายคันแต่เราใช้เพียงคันเดียวเราเห็นว่าคันอื่นมันเกตกะเก็บไว้ก็เป็นภาระต้องมาคอยหวงคอยห่วงคอยกังวลก็เลยเอาไปแจกเอาไปจ่าย ยกให้คนอื่นไปอาจจะไปให้โรงเรียนให้วัดให้โรงพยาบาลให้ผู้ที่เขาทำสาธารณประโยชน์เอาไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมพอเราให้ไปแล้วใจของเราก็หายห่วงไม่ต้องมาห่วงกับสมบัติชิ้นนั้นอีกต่อไปนี่คือทานทานเป็นเหตุเป็นการกระทาเป็นต้น ส่วนบุญนี้เป็นผลเป็นปลายการให้นี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้กับพระหรือให้กับคารวาสถึงจะเป็นบุญเป็นบุญทั้งนั้นให้กับใครก็เป็นบุญเพราะบุญแปลว่าความสุขใจเพียงแต่ว่าเรานิยมพูดกันว่าให้พระก็เป็นการทาบุญให้กับคารวาสหรือให้กับ สัตว์เลรชานก็เรียกว่าเป็นการทำทานแต่ความจริงมันเป็นทานทั้งนั้นเป็นการให้เป็นเหตุส่วนบุญนี้เป็นผลได้บุญเหมือนกันแต่บุญที่จะได้จากการให้พระนี้จะมีบุญแถมมาอีกอย่างหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะเช่นวันนี้เรามา ทำทานที่วัดเราเอาข้าวอาของมาถวายพระภิกษุสัมนเนในขณะเดียวกันเราก็ได้บุญเพิ่มอีกอันหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอ น, นิสงส์อยู่ถึงห้าประการด้วยกันคือจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอง สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น 3. าจะกำจัดความลังเลสงสัยได้ 4. ทํทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องทําทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุขมีความสงบนี่คือบุญห้าประการที่จะได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรม ที่จะไม่ได้จากการไปทําทานแก่คาราะหรือแก่เดรัจฉานเช่นถ้าเอาข้าวไปให้สุนัข ก, กินเราจะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมถ้าเอาของไปให้คารวะาเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเพราะคารวะาไม่มีธรรมหรือสุนัขเขาไม่มีธรรมสุนัขอย่างว่ากเขาทําได้ก็คือเหา่าหรือกระดิกหางหรือคอยเฝ้าบ้านให้กับเรา ส่วนถ้าเราไปทํากับค า, ารวะถ้าไปทํากับโรงเรียนเขาก็จะสอนลูกเราให้รู้มีวิชาความรู้ถ้าไปทํากับโรงพยาบาลเขาก็จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ใ, ให้กับเราแต่ถ้ามาทํากับวัดมาทํากับพระศาสนาเราก็จะได้บุญอีกขั้นหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมนั่นเอง นี่คือความแตกต่างในเรื่องของผู้รับเวลาเราให้ทานแก่ผู้อื่นนี้ผู้รับนี้จะตอบแทนให้อะไรกับเราได้มากน้อยต่างกันยึงมีการเปรียบเทียบให้ฟังว่าให้กับคารวสเหมือนกับได้สิบบาทให้กับพระผู้ทรงศีลเหมือนกับได้1้อยบาทให้กับพระอริยะบุคคล คือพระโสดาบันก็ได้พันบาทพระสกิดาคามีก็ได้หมื่นบาทพระ อ, อนาคามีก็ได้แสนบาทพระ อ, อรหันต์ก็ได้ล้านบาทพระเปโจรพุทธเจ้าก็ได้สิบล้านส่วนพระ อ, อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ร้อยล้านเพราะพระเหล่านี้ท่านมีความสามารถมีธรรมะไม่เท่ากัน พระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีมากที่สุดพระปเจ ก, กพุทธเจ้ามีธรรมะแต่ท่านไม่สอนใครท่านเป็นพระที่ไม่สั่งสอนผู้อื่นท่านบนรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ประกาศพระธรรมคำสอนส่วนพระอารหันตนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีความรู้น้อยกว่าพระพุทธเจ้าแต่ความบริสุทธิ์ใจนี้มีเท่ากัน ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระปเจกับพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ในสิ้นกิเลสเหมือนกันไม่มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันบริสุทธิ์เท่ากันแต่ธรรมะคําสอนนี้มี ม, มีต่างกันผู้ที่ได้ทําบุญกับท่านเหล่านี้จึงได้รับธรรมะต่างกันส่วนพระอนาคามีพระสกิดากามีและพระอร พระโสดาบันนี้ใจก็ยังไม่บริสุทธิ์เท่ากับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ใจยังไม่สะอาดยังมีความโลภความขวดความหลงอยู่พระอนาคามีมีน้อยกว่าพระสกิดาคามีพระสกิดาคามีมีน้อยกว่าพระโสดาบันความรู้ของพระอนาคามีจะมีมากกว่าพระสกิดาคามี พระสกิดากามีก็จะมีมากกว่าพระสุดาบัณฑดังนั้นเวลาทําบุญกับบุคคลเหล่านี้เราก็จะได้ธรรมะต่างระดับกันแล้วถ้าไปทําบุญกับพระภิกษุผู้สงสิงแต่ยังไม่เป็นพระอริยะท่านก็ยังใจของท่านก็ยังไม่สะอาด บ, บริสุทธิใจของท่านก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงมากกว่าพระอริยะทั้งหลาย แล้วถ้าไปทํากับคาราวาจใจของคาราวาจก็ยิ่งมีมีความไม่บริสุทธิ์มากกว่าของพระผู้ส่งเสียนดังนั้นบุคคลต่างๆเหล่านี้จึงมีความดีมีความรู้ไม่เท่ากันทําบุญกับบุคคลต่างๆจึงได้บุญไม่เท่ากันนี่คือความเปรียบเทียบเรื่องของการให้ทานกับบุคคลต่างๆ แต่ส่วนเรื่องของใจนี้ของเรานี้ได้เท่ากันไม่ว่าเราจะทํากับพระพุทธเจ้าหรือทํากับคารวะใจของเราก็ได้กําจัดความโลภความตนีความเห็นแก่ตัวได้เท่ากันตรงนี้ได้เท่ากันจึงขอให้เราเข้าใจตามที่ได้แสดงไว้ถ้าเราพยายามทําทางให้มากขึ้น รักษาศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นกายวาจาใจของเราก็จะสะอาดมากขึ้นความเป็นพระอริยะบุคคลก็จะใกล้เข้ามามากขึ้นหรือถ้าเป็นอริยะแล้วก็จะขยับสูงขึ้นไปมากขึ้นไปตามลำดับจนได้กลายเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี่คือการมาสร้างพระในวันพระสร้างด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา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 แค่คลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ